ห้องสมุดหลังไมโดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมนะคะจิตตะนักพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญา น, นสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะใครที่เป็นนักบริหารจิตใครที่อยากทําให้ชีวิตดีขึ้นแนะนําให้อ่านนะคะสนุกด้วยค่ะเป็นพระปรีชาสามารถของพระองค์โดยแท้นะคะในการที่จะ อธิบายเรื่องของจิตที่สลับซับซ้อนแล้วก็อาจจะยากแก่การเข้าใจแต่ว่าในจิตตนครพรงเลือกใช้การเขียนแบบบุคลาธิสฐานสมมุติเป็นตัวละครต่างๆเป็นเรื่องราวมีฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มีพระเอกมีผู้ร้ายมีผู้ช่วยพระเอกมีผู้ช่วยผู้ร้ายทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นอ่านสนุกชวนติดตามนะคะ ถึงแม้ว่าจะต้องใช้ความตั้งใจแล้วก็ใช้สมาธิในการอ่านอยู่บ้างแต่จิตตานครเป็นหนังสือธรรมะที่ทำให้เราเข้าใจตัวเราเองแล้วก็เข้าใจจิตใจของเราได้ดีค่ะมีสเสน่ชวนติดตามอยากเชียร์ให้ได้อ่านเพื่อ น, น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนี่เป็นคุณอุปการเป็นพระกรุณาที่คุณ อย่างหนึ่งนะคะที่พงศ์ได้ทิ้งเอาไว้ให้กับชาวพุทธชาวไทยกับผลงานจิตตะนาครต้องบอกว่าเป็นพรนิธลที่ค่อนข้างจะแปลกไปจากหนังสือธรรมะโดยทั่วไปกึงก่งๆึงนวณิยายนะคะกึงๆนวณิยายกึงก่งๆสารคดีแต่ว่ามีเนื้อหาสาระเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ธรรมะแล้วก็เพื่อการ ฝึกฝนตนเองของเราชาวจิตตะนะครนะควันนี้จะเป็นตอนที่3ของการเดินทางไปเยี่ยมเยียนและทำความรู้จักกับจิตตะนะครคร่ะวันนี้จะเป็นตอนที่ชื่อว่าเครื่องปกปิดสัก จ, จะในข่าวสารและตัญหาร้อยความร้ายกาศของสมุไทยในการที่จะใช้วิธีการต่างๆผูกใจชาวจิตตะนะครในการที่จะครองใจ ชาวจิตตะนะครและก็เรื่องของพักพวกหัวโจกทั้งหลายของสมุไทยก็เป็นธรรมดานะคะของบรรดาผู้ร้ายของบรรดาอันธพาลทําการคนเดียวย่อมไม่สําเร็จก็จะต้องมีลูกน้องมีหัวโจกมีลูกสมุนวันนี้ไปทําความรู้จักกับพักพวกของสมุไทยในจิตตนะครกับจิตตะนะคร ตอนที่3ค่ะเครื่องปกปิดสัจจะในข่าวสารตั้นหาร้อยแปดสมุไทยมีวิธีการหลายอย่างที่จะผูกใจชาวจิตตะนครเพื่อที่จะเป็นผู้ครองใจชาวจิตตะนครทั้งหมดตลอดไปนอกจากสมุไทยจะมีพักพวกที่เป็นหัวโจกทั้ง3าลูกมือ คือทุจริตทั้งสแล้วก็พักพวกหัวไม้หัวมีดในลักษณะต่างๆอีก16ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะสมุทัยยังวางพักพวกในการที่จะยึดครองจุดสำคัญต่างๆของจิตตาครเพื่อที่จะรักษาอำนาจของตนไว้ให้มั่นคงคือจุดระบบสื่อสารทั้งชั้นนอก5ชั้นและชั้นในหนึ่งชั้นรวมเป็นหกจุดเพราะว่า ระบบสื่อสารเหล่านี้เนี่ยคะ่ะเป็นระบบที่จะนําข่าวสารต่างๆเข้าสู่เจ้าเมืองจิตตนครแต่โดยปกติเจ้าเมืองก็จะติดต่อทราบเรื่องต่างๆได้โดยทางสื่อสารนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสมุทัยจึงใช้เครื่องมือทางมายาศาสตร์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าอารมณ์เป็นเครื่องแปลกปลอมปกปิดสัจจะในข่าวสารทั้งหลายคืออารมณ์จะเป็นตัวปกปิดความเป็นจริง แต่แสดงเป็นอีกรูปหนึ่งโดยแต่งตั้งพักพวกให้อยู่เฝ้าประจำระบบสื่อสารทั้ง6แห่งละ3ชื่อว่าการ ม, มาตัญหาความทยานอยากในการคือรูปเสียงกลิ่นรถโพธพะโพธพะก็คือสิ่งที่กายสัมผัสถูกต้องที่น่าปรารถนาพอใจจากการ ม, มาตัญหา ก็มีภวะตันหาคือความทยานอยากเป็นนั่นเป็นนี่มีวิภวะตันหาความทยานอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่นี่คือพักพวกของสมุทไทยแต่ก็ไม่ใช่เท่านี้นะคะสมุทไทยมีความรอบครอบกว่านั้นมีการจัดให้ประจำการทั้งสามเหมือนอย่างจัดยามประจำทุกยาม คือประจําอดีตการ18อนาคตการอีก18ปัจจุบันาการอีก18รวมเป็น54ดูน่าจะพอแต่ก็ยังไม่พอสําหรับสมุทไทยผู้ที่รอบคอบถี่ท่วนเป็นอย่างยิ่งยังจัดไว้สําหรับประจํากํากับตนเอง54นะคะประจํากํากับผู้อื่นอีก54รวมเป็น108 เรียกตามภาษาของชาวจิตตานะครว่าตันหาร้อยฉะนั้นเจ้าเมืองและชาวจิตตานะครจึงได้รับข่าวที่ถูกอารมณ์เคลือบแคลงที่ไม่ใช่ข่าวสารที่แท้จริงอยู่เสมอคือเป็นข่าวสารที่เจือปนไปด้วยอารมณ์ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสมุทัยได้วางตันหาร้อยแปยึดระบบสื่อสารไว้หมดเลยทั้งชั้นนอกชั้นใน เจ้าเมืองจึงถูกลวงให้หลงให้เข้าใจผิดเห็นผิดอยู่เสมอบางครั้งก็แสดงความยินดีปรีดาอยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่บางครั้งก็หงุดหงิดขุนเคืองขัดแค้นอยากให้พินาเสียหายสุดแต่อารมณ์ที่สมุทัยและพักพวกจะส่งเข้ามาชาวเมืองจิตตนครจึงมีจิตใจที่ดิ้นรนกวัดแกงอยู่เสมอไม่สงบ ทำให้หัวโจกทั้งสามเข้าสิงผสมได้โดยง่ายเพราะสมุไทยจัดให้คอยจ้องโอกาสอยู่ทุกขณะแล้วด้วยสังเกตเครื่องมือสำคัญคืออารมณ์และลอบเข้ามากับอารมณ์ทันทีเรียกว่าการปฏิบัติงานของสมุไทยกับพักพวกนั้นรวดเปร็วยิ่งนักเท่ากับความเร็วของจิตหรือความเร็วของแสงก็น่าจะเทียบได้หรือยิ่งกว่า แต่อย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่าอาวุธหรือพูดที่จะมาปราบหัวมีดหัวไม้ของฝ่ายสมุทัยคือปัญญาปัญญาเมื่ออบรมเสมอก็เหมือนอาวุธที่คมที่ลับอยู่เสมอยอมใช้การได้ผลดียิ่งฟันลงไปเมื่อใดก็ขาดลงไปที่นั้นตัณหาร้อยแปดก็สามารถจะทำลายให้สิ้นไปได้ด้วยปัญญาที่ได้รับการอบรมบริบูรณ์เต็มที่แล้วแต่สาหรับชาวจิตตนคที่เป็นสามัญชน การอบรมปัญญาเพียงให้สามารถรักษาใจไม่ถึงกับให้ตกเป็นทาสของอารมณ์จนเกินไปพอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมากกว่าร้อนรนเป็นทุกข์ก็นับว่าดีแล้วและการบริหารจิตนี้คือการอบรมสติอบรมปัญญาให้เกิดทันและให้สามารถรักษาจิตใจหรือจิตตาครให้ไม่ถูกอารมณ์อันเป็นสมุนฝ่ายร้ายของสมุทัยเข้ามามีอำนาจครอบครองเหนือ จนถึงกับจะใช้อํานาจก่อให้เกิดความวุ่นวายเร้าร้อนได้เกินไปเพราะฉะนั้นบ้านเมืองใดมีกําลังอาวุธบริบูรณ์ย่อมจะป้องกันค่าศึกศัตรูมิให้รุกรานก่อความเดือดร้อนได้ฉันใดผู้ใดมีกําลังอาวุธคือปัญญาเพียงพอก็ย่อมจะป้องกันอารมณ์มิให้รุกรานก่อความเดือดร้อนได้ฉันนั้นการอบรมปัญญา จึงเป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาความร่มเย็นเป็นสุขพึงกระทำทั่วกันหัวโจกทั้งสามคือโลโพโทโซโมโหยังเที่ยวหาพักพวกได้อีกเจ็ดคนรวมเป็นสิบคือหนึ่งโลโพความอยากได้ของของเขา 2. องโทโซความโกรธปัทุสร้ายเขาสามโมโห ความหลงทั้งสามนี้เป็นพักพวกชั้นหัวโจกของสมุทัยอยู่แล้วแล้วก็ยังมีมาโนความถือตัวดูหมิ่นผู้อื่นทิฏฐิความเห็นผิดวิจิกิจฉาความลังเลไม่แน่นอนใจถีนังความง่วงเหงาเกียรครั้งอุทธจังความฟุ้งซ่านอหิหริกังความไม่ละอายใจไม่ลังเกียจต่อความชั่วอโนตะ ตับังความไม่เกรงกลัวต่อความชั่วรวมทั้งหมดเป็นสิบทั้งสิบต่างไปหาพรรพวกอีกคนละร้อยห้าสิบโดยมาจัดแบ่งเป็นร้อยห้าสิบหมู่หมู่ละสิบคนประจํานามนธรรมและรูปธรรมของชาวจิตตะนครทุกคนโดยครบถ้วน สมุทัยได้ศึกษาสรีระวิทยาและจิตวิทยารู้ว่าชาวจิตตานครทุกคนมีจิต89ดวงนับเป็นหนึ่งมีเจตสิกธรรมที่เกิดในจิต52นี้เป็นส่วนจิตกับมีรูปที่เรียกว่านิพพานรูปรูปที่สำเร็จมาแล้ว18พร้อมกับทุกสคือชาติชราพยาธิมรณนะนี้เป็นส่วนสรีระหรือรูป ตามคำพีอภิธรรมจึงรวมเป็น75แจกเป็นนามธรรม75แจกเป็นรูปธรรม75เพราะชาวจิตตานครทุกคนประกอบด้วยนามธรรมรูปธรรมรวมกันอยู่เป็นคนหนึ่งหนึ่งจะแยกถือเอาเฉพาะอย่างเดียวไม่ได้ฉะนั้นเพื่อมีให้ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยจึงได้นับจำนวนเป็นส่วนละเจ็หน่วยเพื่อที่จะได้ส่งพักพวกไปคุมเป็นรายหน่วยหน่วยละหมู่ จัดแบ่งเป็นร้อยหหมู่หมู่ละ1ิคนเพื่อควบคุมนามารูปที่แบ่งออกส่วนละ75เป็น150หน่วยนั้นกระจายกำลังออกคุมหน่วยละหมู่ทีเดียวดังนั้นร้อยคูณด้วย10จจึงรวมเป็น 1,500 เรียกว่ากิเลศ 1,500 นี่คือพักพวกที่สมุทไทยจัดให้มีหน้าที่ประจำกำกับภายในบ้านของชาวจิตตะนครทุกคนทุกกระเบียดนิ้วไม่ยอมให้ใครพ้นออกไปจากการควบคุมเลย จะคิดอะไรจะทำอะไรจะเดินยืนนั่งนอนที่ไหนก็อยู่ในสายตาของหมู่ใดหมู่หนึ่งแห่งกิเลส ท, ทั้งร้0ยหหมูน่นี้ทั้งสิ้นสมุทัยจึงนับได้ว่าเป็นนักการโลกที่สามารถมากเก่งมากเพราะสามารถแล้วก็ต้องการที่จะครองโลกทั้งสิ้นไว้ในอำนาจ ไม่ประสงค์จะให้ผู้ใดพ้นไปจากอำนาจของตนเลยท้นนึกนึกภาพภายในบ้านของชาวจิตตานครแต่ละคนก็คงจะเห็นภาพที่ยั่วเยี่ยไปด้วยกิเลสตัณหาเดินไปเดินมาสับสนอนละมานบางก็ครึกครื้นรื่นเริงเต้นรำทำเพลง บางก็กริ้วโกรธด่ดาทอออกยักษออกมานต่างๆบางก็นั่งง่วงโงกซิมซาดูคล้ายกับโง่ดักดานบางก็ซุบซิบวางแผนชั่วร้ายต่างๆแสดงออกตามสันดานของตนร้อยแจําพวกหรือ 1,500 จําพวกดังที่ได้กล่าวแล้วว่าอาวุธที่จะปราบพักพวกของสมุททยในจิตตะนครที่ได้ผลแน่นอน ไม่อยู่อย่างเดียวก็คือปัญญาปัญญามีหลายขั้นทั้งขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงเหมือนอาวุธมีคมที่มีทั้งคมน้อยคมมากคมที่สุดอาวุธที่คมน้อยก็ทำให้คมมากได้ทำให้คมที่สุดได้ด้วยการมันลับอยู่เสมอปัญญาก็เช่นกันปัญญาที่อยู่ในขั้นต่ำก็อาจทำให้เป็นปัญญาขั้นกลางได้ ทำให้เป็นปัญญาขั้นสูงได้ด้วยการหมั่นอบรมอยู่เสมออบรมมากและสม่ำเสมอเพียงใดปัญญาก็ย่อมจะยิ่งสูงขึ้นได้เพียงนั้นและการอบรมที่ถูกต้องจริงๆก็มีอยู่วิธีเดียวคือศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สมควรแล้วปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นปัญญาก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเป็นลาดับ สามารถทำลายเหล่าร้ายอันเป็นพักพวกของสมุไทยผู้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ร้อยแปดพันประการของจิตตนครให้ลดน้อยถึงที่สุดลงได้จริงๆสมุไทยใส่ความหวังบังทุกขเก็บปัญญาทาบานของใครมีคนไปคุมเต็มไปหมดเป็นร้อยเป็นพันเราน่าจะไม่มีความสุขแต่สำหรับชาวจิตตนาครถึงแม้ว่าจะถูกควบคุม ทุกตารางนิ้วแต่ชาวจิตตะนครกลับไม่ค่อยรู้สึกว่าถูกควบคุมพากันมองเห็นว่าอยู่ในโลกก็ต้องมีความสุขบ้างสิ่งสนุกสนานมีอยู่มากสิ่งเจริญตาเจริญหูก็มีอยู่โดยรอบนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ชาวจิตตะนครเรียกกันว่าความหวังความหวังเป็นอาหารใจสาคัญของชาวจิตตนคร เมื่อเกิดความอ่อนเพลียขัดข้องขาดแคลนอะไรก็รีบบริโภคความหวังทำให้กระปรี้กระเปรา ว, วิ่งเต้นไปได้อีกคราวหนึ่งหนึ่งทั้งนี้เพราะว่าสมุไทยมีวิธีคลองใจชาวจิตตะนครอย่างแยบยลจนยากที่คนทั่วไปจะรู้สึกได้สมุไทยพยายามที่จะปิดบงังหรือว่าบิดเบือน สิ่งที่เรียกตามภาษาของท่านผู้รู้ว่าทุกข์ไม่ยอมให้ใครรู้เห็นทุกข์ได้เป็นอันขาดใช้อุบายวิธีต่างๆทำให้เห็นไปในทางตรงกันข้ามให้เห็นเป็นความสุขโดยใส่ความหวังหรือความอยากเข้าไปในจิดใจของชาวจิตตะนครใส่ไปพร้อมกับความเพลิน และความติดใจยินดีแล้วก็ยังคอยป้อนสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์แก่ความอยากความติดใจยินดีโดยแทรกเข้าไปกับข่าวสารที่ผ่านทางระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในดังที่กล่าวมาแล้วชาวจิตตนครก็เลยพากันหิวกระหายต่ออารมณ์ต่างๆเพลิดเพลินติดใจยินดีอยู่กับอารมณ์ต่างๆ นี่เป็นเครื่องมือที่สมุทัยใช้เป็นเครื่องผูกใจชาวจิตตะนครเอาไว้ให้พากันหวังพากันเพลิดเพลินอยู่ตลอดคืนผักพวกของสมุทยัยกี่ร้อยกี่พันก็พากันแฝงตัวคุมอยู่อย่างเงียบเงียบลัดกันเยี่ยมหน้าออกมาบ้างเป็นครั้งคราวชาวจิตตะนครจึงไม่รู้ไม่เห็นเหมือนอย่างคนที่เป็นโรคแต่มองไม่เห็นตัวเชื้อโรคตั้งพันตั้งหมื่นในร่างกาย ต่อเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ ส, ส่องจึงจะมองเห็นอันที่จริงเจ้าเมืองจิตตะนครเป็นผู้มีอาวุธพิเศษอยู่หลายอย่างสำหรับปราบปรามฆ่าศึกศัตรูทั้งปวงถ้าเจ้าเมืองจิตตะนครประสงค์จะดูให้เห็นพักพวกของสมุททยทั้งหมดก็สามารถจะเห็นได้ สมุไทยได้รอบเก็บปัญญานี้เอาไว้เสียคือจริงๆเจ้าเมืองมีปัญญาเป็นอาวุธพิเศษแต่สมุไทยเนี่ยเก็บเอาไว้ซัทั้งเมืองจิตต น, นครจึงเต็มไปด้วยอารมณ์ความหวังความเพลินความติดใจ ย, ยินดีแล้วก็การต่อสู้แย่งชิงอารมณ์ต่างๆ เป็นโอกาสที่พวกหัวโจกทั้งสแล้วก็พักพวกร้อยแแทรกแซงกันอนลมานไปหมดความหลงความเพลินความติดใจ ย, ยินดีเป็นสิ่งที่เกิดจากอุบายอันแยบยลของสมุไทยซึ่งเป็นหัวหน้าเหล่ารายยิ่งใหญ่เมื่อทำลายเสียได้เพียงใดก็เท่ากับทำให้ฝ่ายสมุไทยอ่อนกำลังอ่อนแรงเพียงนั้น ประเทศบ้านเมืองที่มีผู้ร้ายชุกชุมกับประเทศบ้านเมืองที่ไม่มีโจรผู้ร้ายหรือมีน้อยความสงบร่มเย็นก็ย่อมแตกต่างกันจิตตนครก็เช่นนั้นจิตตนครที่มีสมุไทยซึ่งมีกำลังอ่อนกับจิตตนครนที่สมุไทยมีกำลังเข้มแข็งก็มีความสงบและความร่มเย็นเป็นสุขแตกต่างกันเพียงนั้นติดตามเรื่องลักษณะอารมณ์ เครื่องมือสำคัญของสมุททยกันต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองม ย, ยิ่งเล่าก็ยิ่งสนุกนะคะต้องบอกว่าดิฉันเองเนี่ยก็อ่านจิตตนครแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมเยียนจิตตนครไปพร้อมๆกับคุณฟังนี่ละค่ะเพราะว่าเป็นหนังสือที่เพิ่งมีโอกาสได้อ่าน เป็นครั้งแรกนะคะเมื่อคืนวันที่สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนบังเอิญจริงๆค่ะซื้อก่อนที่จะมีข่าวว่าพระองค์ท่านสิ้นพระชนไม่กี่นาทีนะคะโดยที่ไม่รู้มาก่อนก็เป็นความบังเอิญในจังหวะที่เหมาะสมทําให้สามารถจะมีพระนิพนธ์ของพระองค์นะคะ มาแบ่งปันและก็ทำให้เราได้ใช้วาระโอกาสสำคัญนี้เพื่อ น, น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านโดยการศึกษาเรียนรู้จากผลงานของพระองค์ท่านให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์ของพระองค์อยู่แล้วนะคะในการที่จะอธิบายซึ่งถึงสิ่งสำคัญที่ซับซ้อนนั่นก็คือจิตใจของเรา จิตตนครเป็นผลงานเทียนน่าอ่านและก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะคะของสมเด็จพระยานสังวรนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปริญายกคุณฟังสามารถที่จะหาซื้อได้สําหรับสถานที่ที่ดิฉันนึกออกตอนนี้ที่มีหนังสือจิตตนครแน่ๆ น, นะคะที่1ก็คือสมกพิมพ์ธรรมดา ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ฉบับสำหรับบุคคลโดยทั่วไปราคา165บาทนะคะเล่มนี้เนี่ยดิฉันได้มาจากร้านแพร่พิทยาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแต่ไม่แน่ใจว่าร้านหนังสือโดยทั่วไปเนี่ยจะมีหรือเปล่าน่าจะมีนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบชัวร์นะคะให้แน่ใจจริงๆว่ามีเนี่ยสวนโมกกรุงเทพคะ่ะ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยนะคะมีแน่นอนค่ะมหามงกุฎราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศก็มีแน่นอนค่ะแต่อาจจะเป็นอีกอีอกฉบับหนึ่งนะคะเพราะว่าคงจะมีการตีพิมพ์ทั้งในส่วนของมหามงกุฎราชวิทยาลัยแล้วก็ในส่วนของสํานักพิมพ์ที่พิมพ์สําหรับเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปแต่ไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนก็มีคุณค่า แล้วก็น่าอ่านด้วยกันทั้งนั้นค่ะแต่ถ้ายังไม่สะดวกก็ติดตามฉบับของห้องสมุดหลังใหม่ไปก่อนนะคะซึ่งก็ได้มีการานำเอาสาระสำคัญของจิตตะนครมาถ่ายทอดแล้วก็มาเล่าให้คุณได้ฟังประมาณ 70% ค่ะเพื่อให้เหมาะสมกับสื่อเสียงในการที่จะรับฟังได้ง่าย ชวนติดตามแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะแต่ฟังแล้วยังเหลือเนื้อที่ให้คุณได้ไปติดตามอ่านเองค่ะรับรองว่าไม่เหมือนกันแต่จะมีความละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามกันต่อเลยค่ะมาถึงตอนนี้เรื่องราวของจิตตานครก็เริ่มเข้มข้นขึ้นนะคะเราไปติดตามอารมณ์สิ่งสำคัญหัวโจกสาคัญของ สมุทัยที่ก่อกวนหัวใจของชาวจิตตานครให้ไม่อยู่กับความเป็นจริงและมักจะร้อนรนทนทุกข์ลักษณะอารมณ์เครื่องมือสมุทยัยก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่า อารมณ์เป็นเครื่องมือสำคัญของสมุททยที่ใช้คล้องใจชาวจิตตานครในจิตตานครมีทุกอย่างเหมือนอย่างในบ้านเมืองทั่วไปสิ่งทั้งหลายที่จะมองเห็นได้ด้วยตาก็มีอยู่ทั่วไป สมุทยได้สร้างสรรค์ตกแต่งมากมายผู้คนทั้งปวงต่างทุ่มเทเงินทองไปมากมายเพื่อสิ่งสำหรับได้ดูงามตาที่สรุปลงได้ในคำเดียวว่ารูปรูปที่ตามองเห็นคืออาหารตาอาหารที่คนทั้งปวงต้องซื้อหาอาหารนี้ ด้วยมูลค่าที่สูงมากมากยิ่ยงกว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปทางปากยังมีเสียงเสียงที่จะฟังทางหูมีทั้งเสียงธรรมชาติและเสียงที่สรรสร้างขึ้นเสียงเป็นอาหารหูซึ่งบางทีคนก็ต้องการซื้ออาหารหูนี้ด้วยราคาแพงอีกเหมือนกัน ยังมีกลิ่นที่สูดดมทางจมูกทั้งโดยธรรมชาติเช่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นของดอกไม้และของเน่าทั้งโดยปรุงแต่งเช่นกลิ่นทูบกลิ่นน้ําอบสมุทัยก็อวดอ้างอีกว่าได้ปรุงแต่งกลิ่นหอมทั้งหลายสําหรับจะรุงความสุขกลิ่นเท่ากับเป็นอาหารจมูกบางทีคนก็ต้องซื้ออาหารนี้ด้วยราคาแพง ลิ้นรสที่จะลิ้มด้วยลิ้นมีต่างๆทั้งโดยธรรมชาติและโดยปรุงแต่งเช่นรสอาหารนาน า, นาประเภทสมุไทยก็อวดนักเหมือนกันว่าได้ปรุงแต่งรสอาหารอันโอชาลิ้นนับประการแต่ก็สรุปลงได้ในคําเดียวว่ารสที่ลิ้นลิ้มอันคนโดยมากต้องสแสวงหามาเป็นอาหารลิ้นด้วยราคาแพงอีกเช่นกัน ยังจะมีสิ่งที่กายสัมผัสถูกต้องอ่อนแข็งต่างๆทั้งโดยธรรมชาติและโดยปรุงแต่งคือโผดทับพะสิ่งที่ถูกต้องสัมผัสทางกายคนโดยมากก็พากันสแสวงหาสแสวงหามาเป็นอาหารกายด้วยราคาแพงลิวและยังมีเรื่องต่างๆที่คิดทางใจที่สมุทัยอวดโอว่าได้ช่วยปรุงเรื่องต่างๆให้แก่ใจคนทั้งปวง คือธรรมเรื่องที่ใจได้รู้ได้คิดถึงคนทั้งหลายก็พาการสแสวงหาเรื่องมาเป็นอาหารใจอยู่เสมอบางทีก็ด้วยราคาแพงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผธิภพธรรมารมที่ถูกใจที่พอใจ แต่และคนก็ต้องเสียไปเพื่อแลกมาเป็นอันมากสำหรับสามัญชนแล้วย่อมมีความปรารถนาต้องการในสิ่งดังกล่าวอยู่ด้วยกันต่างกันว่าจะมากหรือน้อยและความมากหรือน้อยที่ต่างกันก็หาได้เกิดจากอะไรอื่นไม่แต่เกิดจากการปรุงของสมุทไทยที่มากหรือน้อยนั่นเองสมุทไทยปรุงให้เป็นรูปเสียงกลิน่นรสพทพพธรรมรม เป็นที่น่าปรารถนาพอใจมากความปรารถนาต้องการก็มากสมุทัยปรุงให้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมารมม์เป็นที่น่าปรารถนาพอใจน้อยความปรารถนาต้องการก็จะน้อยความมีอินทรีย์สังวรคือการมีสติระวังไว้เสมอมิให้สมุทัยปรุงให้เกิดความปรารถนาต้องการมากไปเท่านั้น ที่จะทำให้สามารถควบคุมปรารถนาต้องการต้องการจะได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสได้รับรู้เรื่องราวที่พอใจไว้ได้ให้อยู่ในขอบเขตพอสมควรไม่ทำให้ต้องร้อนรนกระวนกระวายจนเกินไปจนถึงกับต้องไปไขว้คว้าสแสวงหามาให้ได้หรือบางทีต้องแลกกับสิ่งที่มีค่าอื่นๆชื่อเสียงเกียรติยศยอมโกงยอมกินยอมปลิ้นปล้อนหลอกลวงทรยศ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่สมุทัยปรุงให้เห็นว่าน่าปรารถนาน่าต้องการเป็นอย่างยิ่งจิตตนครเมืองภาพยนต์ด้วยความที่จิตตนครพรั่งพร้อมด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผทพะและเรื่องหลายหลากซึ่งผ่านเข้าไปทางระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในดังได้กล่าวมาแล้วเรียกด้วยภาษาของชาวจิตตนครว่า อารมณ์แปลว่าสิ่งเป็นเครื่องนวงเหนียวจิตใจสมุทัยเป็นผู้สร้างขึ้นและก็สอดแทรกเข้าไปทางระบบสื่อสารทั้งหลายสมุทัยใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือในการครองใจคนทั้งปวงเป็นเครื่องนวงเหนี่ยวจิตใจให้หลงเพลินยินดีสมุทัยคอยเติมเชื้อความอยากความใคร่ความปรารถนาแก่ชาวจิตตนคร และตกแต่งอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเอาไว้คอยสนองทำให้ชาวจิตตานครพากันหิวกระหายอารมณ์ดังกล่าวอยู่อย่างไม่อิ่มไม่เพียงพอเมื่อได้อารมณ์อย่างนี้แล้วก็อยากจะได้อารมณ์อย่างนั้นอีกบรรดาหัวโจกสมุนทั้งปวงก็พากันแอบแฝงหนุนให้เป็นไปต่างๆบางทีไม่ได้อารมณ์ที่น่าปรารถนาก็ทาให้โกรธกลิ้วตรงกันข้าม พากันหมุนไปตามอารมณ์นี้เองแต่ชาวจิตตาคนครก็ไม่ได้เห็นสิ่งที่หนุนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือบรรดาหัวโจกและสมุนเหล่านั้นก็แฝงตัวอย่างแนบเนียนถ้าจะวาดภาพของอารมณ์ให้พอมองเห็นชัดก็พอจะวาดได้ดังนี้อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพของสิ่งทั้งหลายที่ตามองเห็น มันลอยอยู่ในใจเช่นภาพบ้านเรือนต้นไม้ภูเขาบุรุษสตรีถ้าเป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชังก็ยิ่งเป็นภาพที่ปรากฏเด่นชัดบางทีเป็นวิมานลอยอย่างที่เรียกว่าสร้างวิมานในอากาศบางทีก็เป็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวเช่นพูดผีปีศาจเมื่อปรากฏเป็นภาพขึ้นในใจอย่างนี้แล้ว ก็ยินดีในภาพที่น่ายินดียินไบรายโกรธแค้นขัดเคืองในภาพที่น่ายินบรายอารมณ์จะปรากฏเป็นภาพจากเสียงที่หูได้ยินเป็นภาพเสียงที่แว่วในใจเป็นเสียงดนตรีเสียงลมเสียงน้ำเสียงสัตว์ร้องเสียงคนพูดซึ่งแปลภาษาออกมาเป็นคนเป็นวัตถุเป็นต้นอารมณ์จะปรากฏเป็นภาพกลิ่นที่จมูกสูดดมเป็นภาพรสที่ลิ้นได้ลิ้ม เป็นภาพสิ่งที่ถูกต้องทางกายขึ้นในใจเช่นเดียวกันแล้วก็ชอบหรือชังอยู่ในอารมณ์นั้นอารมณ์จะปรากฏเป็นภาพของเรื่องทุกเรื่องที่ใจคิดใจคิดถึงภูเขาก็จะปรากฏเป็นภาพภูเขาขึ้นทันทีใจคิดถึงบุตรภริยาสามีก็จะปรากฏเป็นภาพบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาทันทีใจคิดถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงสิ่งที่ถูกต้องถึงเรื่องของสิ่งเหล่านี้ ก็จะปรากฏเป็นภาพของสิ่งทั้งปวงนี้ทุกอย่างสุดแต่ว่าใจจะคิดถึงอะไรแล้วก็ชอบก็ชังอยู่กับภาพเหล่านั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวจิตตานครจึงพากันพัวพันเพลิดเพลินอยู่กับภาพคล้ายกับคนที่กำลังนั่งดูภาพยนต์นิยมชมชอบตัวพระตัวนางเกลียดตัวผู้ร้ายบางครั้งก็หัวเราะเฮฮา บางทีก็ใจอ่อนร้องไห้เพราะม่ได้นึกว่าเป็นภาพยนตร์แต่นึกว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าชีวิตจริงสมุทไทร้ายนักที่สามารถทําให้ชาวจิตตะนครคิดว่าอารมณ์ที่ปรากฏในภาพในใจนี้เป็นของจริงชันนั้นเหมือนกันสมุทไทใช้หัวโจกสําคัญเงียบๆคือโมโหให้เข้าแทรกแสงทําให้ชาวจิตตะนครหลงเข้าใจผิด อันที่จริงจิตตนาคนครเป็นเมืองภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเมืองใดๆในโลกและชาวเมืองจิตตนาคนครก็ชอบดูภาพยนตร์กันมากดูได้ทั้งกลางวันกลางคืนเว้นแต่หลับถึงหลับก็ยังชอบฝันดูภาพยนตร์กันอีกคนดูหนังดูละครเพลิดเพลินอยู่กับการแสดงของหนังละครชาวจิตตนาคนครก็เพลิดเพลินอยู่กับภาพแสดงของอารมณ์เมื่อผู้ดูหนังดูละครไม่ปล่อยใจจนเกินไป มีสติรู้ตัวไวบ้างว่ากำลังดูหนังดูละครก็คงจะไม่หลงชอบชังยินดียินร้ายไปกับบทบาทของตัวแสดงเช่นนี้ฉันใดเมื่อภาพของอารมณ์ปรากฏขึ้นให้เห็นแม้ชาวจิตตะนะครไม่ปล่อยใจจนเกินไปมีสติรู้ว่าเป็นสิ่งที่สมุทัยใช้หัวโจกสร้างขึ้นเพื่อล่อให้หลงก็จะไม่ชอบชัง ยินดียินร้ายไปกับภาพที่แสดงขึ้นด้วยอารมณ์นั้นจนเกินไปการศึกษาให้รู้ความจริงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของผู้ที่ไม่ต้องการจะหลงเพลิดเพลินชอบชังยินดียินร้ายไปกับภาพที่สมุทัยสร้างขึ้นไว้ล่อให้หลงผู้ไม่เพลิดเพลินยินดียินร้ายจนเกินไปเท่านั้นที่มีจิตใจสงบเยือกเย็น กล่าวได้ว่าเป็นจิตใจที่มีค่าเป็นที่พึงปรารถนาของผู้มีปัญญาทั้งหลายสมูทไทยรักษาพืชพันธุ์แห่งมนุษย์และสัตว์สิ่งที่สมูทไทยพยายามระดมพลังเพื่อศึกษาแล้วก็สืบรักษาเอาไว้มากที่สุดก็คือพืชพันธุ์ พืชพันธุ์แห่งมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานทั่วไปตลอดจนพืชพันธุ์แห่งต้นไม้ใบหญ้าทั้งปวงในโลกสมุทยัยสอดแทรกความรู้สึกทางเพศไว้แก่ชาวจิตตะนครทั้งปวงโดยแบ่งออกเป็นเพศคู่ซึ่งมีความรู้สึกไวต่อกันอย่างยิ่งเพื่อสืบรักษาพืชพันธุ์ของคนเอาไว้จนถึงท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า ยังไม่เห็นรูปอย่างอื่นเสียงอย่างอื่นกลิ่นอย่างอื่นรสอย่างอื่นสิ่งที่ถูกต้องทางกายอย่างอื่นสักอย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตใจของบุรุษได้เหมือนอย่างรูปของสตรีเสียงของสตรีกลิ่นของสตรีรสของสตรีสิ่งถูกต้องทางกายของสตรีสิ่งทั้งห้านี้ย่อมครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่ในทางตรงกันข้าม ยังไม่เห็นรูปอย่างอื่นเสียงอย่างอื่นกลิ่นอย่างอื่นรสอย่างอื่นสิ่งถูกต้องทางกายอย่างอื่นสักอย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของสตรีได้เหมือนอย่างรูปของบุรุษเสียงของบุรุษกลิ่นของบุรุษรสของบุรุษสิ่งถูกต้องทางกายของบุรุษสิ่งทั้ง5นี้ของบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีให้ตั้งอยู่สมุทัยแทรกความรู้สึกของบุคคลทั้งสองเพศ ให้มีต่อกันอย่างรุนแรงเพราะกลัวว่าโลกจะสูญสิ้นพืชพันธุ์ไม่มีใครเหลืออยู่ให้สมุทัยครอบครองใจเพราะทราบดีว่าจิตตนครมีภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่ชาวจิตตนคอจะต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าไม่มีพืชพันธุ์สืบต่อก็จะสิ้นสูญไปหมดเมืองในเวลาไม่เกินร้อยปีหรือจะเกินไปบ้างก็ไม่มากนะ และร่างกายของบุคคลสองเพศนี้ก็แสนที่จะสกะปรกสมูทัยก็เลยต้องแทรกความรู้สึกดังกล่าวเอาไว้อย่างแรงทำไมฉะนั้นต่างก็คงจะเมินเฉยต่อกันละกันอีกทั้งภาระในการครองเรือนก็หนักสมูทัยจึงต้องสร้างแทรกความรักในบุตรธิดาเป็นอย่างยิ่งเอาไว้ด้วยทำไมฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากจะมีลูกอยากเลี้ยงลูกสมูทัยจึงต้องระดมพลังแหล่งความรู้สึกดังกล่าว หรือที่เรียกกันว่าความรักความใคร่เพื่อรักษาพืชพันธุ์ไว้ในจิตใจของชาวจิตตานครมากเป็นพิเศษถึงแม้จะให้เกิดผลตามประสงค์แต่ก็ก่อให้เกิดผลเดือดร้อนเสียหายหลายอย่างเช่นชาวจิตตานครผู้ถูกพลังความรักใคร่ครอบงําให้กระวนกระวายก็ปฏิบัติระงับหรือบําบัดความรู้สึกเช่นนี้ในทางที่ผิดต่างๆมีการกระทําผิดต่างๆมีสถานที่บําบัด ต, ต่างๆ มีวิธียั่วยุความรู้สึกต่างๆบรรดาพักพวกของสมุทัยอีกมากมายก็มีโอกาสไปแทรกแซ ง, งแสดงตัวผสมผสานไปกับเรื่องนี้ก็เป็นที่พอใจของสมุทัยอีกอย่างหนึ่งจํานวนของผู้คนชาวจิตตานครที่มีมากอาจจะทําให้หลายคนมองว่าจะเกิดปัญหาคนล้นโลกแต่สมุ ท, ทยัยหาได้กลัวปัญหานี้ไหม แล้วก็ไม่ขวนขวายที่จะควบคุมยับยั้งแต่ประการใดเพราะว่าสมุทรไทยมีพลังในการทำลายอยู่ในมือพร้อมแล้วไม่น้อยกว่าพลังแห่งการสร้างหรือไม่อาจจะยิ่งกว่าเสียอีกเช่นในโลกปัจจุบันนี้อาวุธปรมาณูที่พากันทำไว้มีกำลังแห่งการทำลายมหาศาลจะทำลายสิ่งทั้งปวงพร้อมทั้งชีวิตคนทั้งโลกได้ในเวลาพริบตาเดียวถึงเวลามิคสัญญีเมื่อไร สมูทยจะระดมพลังแห่งการทำลายเมื่อ น, นั้นสมูทายได้แทรกแซงความรู้สึกทางทำลายเข้าในใจแห่งชาวจิตตานครไว้แล้วจึงไม่วิตกว่าคนจะลนโลกสมูทยแห่งจิตตานครมีพลังร้ายรุนแรงหน้ารังเกียจหน้าสะพึงกลัวยิ่งนักดังที่กล่าวมาแล้วแต่สมูทายก็มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในการใช้พลังนั้น จนชาวจิตตานครยอมตกอยู่ใต้พลังดังกล่าวด้วยความเต็มอกเต็มใจโดยไม่ได้ระแวงสงสัยว่านั่นแหละคือสิ่งที่จะนําตนไปสู่ความพินาศหายเน่แต่ความเฉลียวฉลาดของสมุทัยในการใช้พลังทําลายชาวจิตตานครในด้านต่างๆนั้นแม้มีมากมายเพียงใดก็ไม่อาจสู้ปัญญาของชาวจิตตานครที่เกิดจากการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าและพบ ก, กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ ห้องสมุดหลังไมโดยรัสมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลือง